ในทนันทีในมือห่มงานก็เทวาพวกเขาที่ได้ดำเนินกันมาโดยเฉพาะวัดโมได้จัดงานปฏิบัติธรรมทุกๆปีตั้งแต่ หลวงพอ่อยังมาทฑิเสียก็ตามบ่มงเวลาหลวงพ่อเสียแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาอยู่ทดแทนก็คเคยดำเนินมาตลอดทางอาจารย์นั่นเอง้ามมาอยู่มันกระจัดเป็นประจำีนเชองรูดูอะ บางปีก็อาจจะเป็นฤ ด, ดูหนาวบางปีก็อาจจะเป็นฤดูร้อนแต่ถือว่าสถานที่ดีเป็นที่หลวงพ่อเทียนเทาทุกทุกคนก็นะราบได้มะโกกำเนิดหมายถึงว่าหลวงพ่อเทียนเป็นกับภูมิประเทศภูมิลำเนาเป็นกันกนอยู่ทั้งเมืองเลย อีสานเหนือก็บใดเพินได้มาสูอีสานกลางในชีวิตของเพิ่นเป็นครั้งแรกก็คงสิงไม่โชวบัตรหมกสมัยสองพันห้ารอยสิบสี่แต่ถูกถูกคนกับผู้ทกผู้แจ่บัตรห ม, ม, ม ก, ก, ก, ก ม, มญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงสิลำเร็ก ถึงจะส ม, มัยนั้นก็ถือว่ามันก็เป็นธรรมดาถึงม่ว่าปนที่มาอยู่นีนนไอาหลวงพ่อมาตักหลักอยู่นหนีแต่กระด้ยจะพอเกิดการจำพัสษาของพ น, นกัคงสิบอ ช่วงนั้นการยิบระยูประจําอธิบายหันมานีก็มีองค์อื่นทดแทนในช่วงนั้นฉะนั้นคำสอนของเพลนถือว่าพิษแผกแต่กลางโดยเฉพาะคำบรรทูลแถวๆนี้ใหม่ๆแต่หลวง พ, อพ่อเพลนก็มี ที่ประทานในทางธิวาการพูดก็เป็นสิ่งที่ระมัดระวังนี่ส่วนหลงพอ่อพูดจะธรรมะหลักปฏิบัติส่วนบริวารเมื่อก็กจังหวนไหนละ่ะบางลกูกบางองค์สไตยไผสไตยมันพอจะทานหยาดโยมได้เย็นแล้วก็บาง แต่สมัยก่อนแต่เพิ่นมาให ม, ม, ม่ๆก็มีการเ่ว่าอาภูธิมาทธาเพืออ่อปฏิบัติ<ม>ก็มีการพ่อได้ยินโดยฟังนั่กะเป็นการที่วาเจ็ดไตก็มีท็ทวาแม่กระทังประชดประชันหรือ ป น, น้ามด้วยว่าเป็นเรื่องที่ว่านอกลีดรพูดบ่เคยสิ่งที่บ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฟังอันนี้แล้วแจะจิต ด, ดสใสของเจนละบุคลที่ได้ยินแต่ว่าโดยเฉพาะหลวงพ่อนั้นคำพูดเป็นบอทำไมผู้ใดเจ็บคำนำใจมีแต่ลักปฏิบัติ ทำทางนั้นแต่ว่าส่วนบริวารดกคิดดุฮะบางลูกบางองค์นะกถือว่าพอได้ยินแล้วก็เป็นทิ้งทิว่าผู้ที่เขามานั้นทั้งว่าไปแล้ว่ก็พอใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาในช่วงนั้นเมื่ช่วงนี้ก็ตามฉะนั้นจึงได้ก็ตามญาติโยมทุกๆคนก็ถือว่าเป็นผู้ค้งเจเฮืน่น เป็นคนเจ็บเป็นผู้คงแนเจรยนส่วนมาอยู่นี่ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติมาหลายหลูปหลายแบบหลายสิ่งรลายอย่างคาู่ชีได้ผ่านหลายสำนักหลายวัดหลายว่าหลายอารามบริเวณแค่เฉพาะมาอยู่สถานที่นี้แห่งเดียวหนึ่งไปได้กระทํา วิธีนี้แห่งเดียวอย่างเดีย ว, ยงยวคงคิได้ประสบะการณ์เมาห ล, หลายหลายอย่างหลายครูบาอาจารย์ฉะนั้นถี่ว่าบอว่าตั้งแต่ขั้นปัจจุบันขั่นสมัยพุทธกาลก็คงทิ่คือกันแต่พระพุทธเจ้าเขายังมันเวลาิ่นหริอานไปแล้ว สาวกรุ่นดังหลังก็คงสิมีหลายลูกลหลาองค์หลายขนาราจาร์แตกต่างกันไปแม้กระทั่งพระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นยังเอาดยิ น, นยังเ้าใดศึกษาจังประเัวทธรรม กันยังมีการที่ว่าอยากเหนือพระพุทธเจ้าอยากสอนไปบางสิ่งบางอย่างเมื่อเวลาเผนปริพันธ์แล้วสาวกโตๆมากกับาคงสิบเอ็นอยากมีความไฟในทางที่ว่าเพื่อหมดบุริวานเพื่อหลับส ก, กุละ หลายสิ่งหลายอย่างเราจะพูดสิเหตออกไปยังเปสิคงสีมีแต่ละลสิ่งหลายอย่างที่เราทิ่ได้ศึกษาเราได้จับฉะ น, นั้นในาณะที่เรามาอยู่ในกระทำวกกันปฏิบัติผู้ดได้ในว่าประจก็ถือว่ากคงสีลมเป็นยังทัพที่ได้มาประสบโดยเฉพาะที่นี่ คิดวันนี้ที่เราได้มาหวมกันได้ยินได้ฟังอยากครูบาอาจารย์หลายๆลูกแม่กระทั่งฟังเทพหลวงพ่อนี่เป็นที่ทีสมบูรณ์แบบขอบหลักปฏิบัติส่วนอาจารย์เจรลญรูปเจริองค์ก็เป็นไงที่ว่ามาแหลกเปลี่ยนให้คอยคิดความเห็นตามศัสนาของเจรลรูปเจลิองค์ อแะฉะ่นั้นญาติหลวงพู่้ที่เขามากเลยที่ว่าให้จําเอาในสิ่งที่ที่เป็นสละเป็นประโยชน์แใจรักปฏิบัติสิ่งใดที่เรเป็นสละเรเป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้วดโมกนี่ก็ได้ไว้น้ำปลาดูปลาแดงปลาไหม่นี่ก็ได้ให้เอาแต่ของดี่เป็นสละเป็นประโยชน์ของดีๆไป ใช่ที่เพื่อนที่ซานฉะนั้นก็อยากจะกล่าวนี้นในในในในหลักของศาสนาของเราเดี๋ยวนี้คำว่าศาสนาศาสนาท่านพาพูดภาษาตามนั่นขเขาก็ไม่ยังว่ามีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างก็โดยเฉพาะเรา ได้ทำกันมาเป็นประจําแต่บรรพุษพ่อเม่าแเจมีสิ่งที่ขาดประดิถุถูกๆลูกพระเจ้าพระสง์กตตามมนกระทั่งสธาญาติยุ่มขึ้นกันผู้เกิดมาสีเห็นผู้เทูุแจพ่อแมพายพิทพาธรรมก็คือศาสนาพิธี อันนี้เอาเหตุกันเป็นประจำถูกๆบ้านกับทุกเมืองโดยเฉพาะงานทางศาสนาเอาต่างๆมีแต่ประเพณีพิธีกรรมทั้งนั้นอันนี้คือศาสนาพิธี าศาสนวัตถุกับจังบัดว่าอารามโดยเฉพาะในท้องทินที่อุดมไปด้วยเศรษิจิตที่ดีๆกระสางแปลงกันใหญ่โตหัวถานสลาการเปลเียนโบสถ์วิหารในกระทงาศาสนะ กุติวิหารของพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่อาศัยอันนี้บางสำนักก็ลือความจำเป็นกัมีอาตมาเคยว่าสาวกของพุทธเจ้าสมโมนี้ได้อยู่วิมานกับพุถุเจ้าพุถุเจ้าเป็นอยู่น้ำปา จังหงในยินมูัว่าอาจารย์เป็นสตรทีปาจัดฉลุทีปาแสดงทำทีปาปรินิพานกับทีปาได้ในสาวกอยู่ในวิมานแบบเศรษฐีกับราฮาบดีเขา อ, อันว่กภาษาชาวบ้านก็ไมจังว่าอยู่ห่อค่อยงาสัง นี่คือวัตถุสร้างกันย่อมไปจนได้กระยูกันนงสิทุอกทินทุกอย่างประกอบด้วยเครื่องอํานวยความสะดวกนี่คือศาส น, นาวัตถุสร้างโบสถ์กับเป็นห ล, ล, ลายลายหลานเก็หลายนี่สิบหลานลอยลลานก็นยังมีจย่งเขาได้ยินอางวัด องคพ่อพุทธโสธรนใส่เสืออ้อเอวทั้งโทรชทัดเอวทั้วงวิทยุไม่ใหญ่โตหัวฐานคงสิบอมีกันหลายหลายวัดก็นั่นนี่คือศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลอันนี้แกจะว่าเอาทุกคนหลักที่เจ้าพุทธ แต่ว่าจะี่พูดแทะซำได้แล้วก็ศาสนธรรมอันนี้องค์ประกอบฉะนั้นศาสนาพิธีนี่มันชับจะบังธรรมะแล้วโดยเฉพาะจังหวัดบุกเฮานี้ผู้บางคนหยาดยมที่เคยติด ธรรมวัดออธิบรรุตรจุดถูกจุดเทียนในกระทั่งนิมนต์นงพอบัญญัติผนมามรดสมาทานศิลมไดยลัธ น, นาธรรมพ ม, ม่าเจโลกาขกับ ร, ร้ว่าแในกระทั่งวัฒนชวายกันเทศกับบางคนกับบางเด็คนจืด จ, จ, จางจางวั น, วนมนุกนี่เป็นทั้งสิ ที่จริงเศรษฐแบบโมกุเป็นอะสิแล้วห้าแน่วโมลีล่ะแต่ว่าห้าผู้ปฏิบัติก็ให้หุ่จักอันใดเป็นเห็ดก็ได้พราเห็ดกระไรยังไงจานนี้พูดว่าห่าเห็ดก็ห้ว่าสมมุดห่าบะเห็ดติวาปอ ใช่ออกเส่ใจแต่บางผู้บางคนที่เข้ามาเห็นบุตรเหตุในมี้ค็ค ง, คงคิีพมีสิ่งบางอย่างกับจะคิดแต่ของจิตใจก็มีอันนี้ศาสนาพิธีมันปั่งอันนี้กานหน่วยๆศ า, าสนาวัตถุก็จะมาไปแล้ว พระธรรมพระสทรงพระพุพธทธโลกองค์พอทองหลวงพุทธาคำพี่ใบลานบังพระธรรมลูกชาบานบวชอยู่ตามวัดจังว่าฮอนนลุนบงนังพระสทรงอันนี้ ขันท่าเข้าใจว่าหลวงพ่อท่องหลวงพ่อแจว้วเป็นพระพุทธเจ้าวันใดเขาก็เลยเอาใจิตใจไปจดจดด่อแต่อยู่หัน่าเขาก็สซิบเบาๆน้อม ข, ของมาสู่ตัวเองอันว่าคำพี่ทางศาสนาพระไตรปิฎกหรือนังสือ้อธรรมนังสื้อขอมเป็นธรรมะ อันพลมันก็อยู่ไกลเฮาก็เลยบริณอนอมาช่ตัวเฮาอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ว่าอยู่นอกเขาทางนั้นใน่บอกเข้าใจธรรมะไม่หมกมันคำพี่ใบลานเป็นธรรมะยังผสงจังที่คือไง มอไปออหลงพ่อให้หลวงพีคู่บาอาจารย์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เสมอไป ส, ส่วสนญาติโยมพระคงสิษมอนหนอมมาชูตัวเองโบเป็นทูสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนจังอาจารย์ธรรมสักดิ์นว่าอันนี้สิงหุนีอาจสิ บ, บังควอมริงก็ได้ นี่คือศาสนาวัตถุแม่ก็ทัางโบสวิหารหรือระจรีดีจางๆางที่ห้องไปจงเที่ยวกันนได้ไปไหว้พระธาตุพระนมอิสานทร้องเฮ้าคิดไปสิทธิ์กุลมากเ ม, ม, มาหลดเมาล่ากันไปทันเนือ้อไปไหว้พระธาตุตัวสุททเทพ ให้เห็นกันไปเชียงเงินเชื่อทองตามเทศกาลต่างๆขอหามยามหลายก็เกิดอุบัติเถึงใจชีวิตมี ท, งทงางใตทางขากลางกันประทัดนครปฐมในทางพระประชาติาาตอยู่คนครทีีธรรมราชซึ่อกันในห้อง เอาจิตใจไปใส่จังสันไปอาศัยจังสันโบเลยเขามาสู่ตัวเองอันนี้คือศาสนาวัตถุบังของจริงศาสนาบุคคลโดยเฉพาะไอหมอกไผพระเจรประสงค์เป็นผู้ที่แน่วหน้านะครับที่ว่าศาสนาต้องมีเปเจรประสงค์ ผูที่นำผ้าอันนี้กะ็ะพอโคผ่าลูกโคถ้าไปพ่าลูกโคไปจิตทางในทางทิจิวาดีกรลูกโคก็ปลอดภัยอ้จัง พระพุทธเจ้าพณีน เ, นเกล้าไว้พโคบานผ้าคุ้งโคข้าแม่นำงค่้าจังบังทิศทางพระโคผู้มีชาญชเฉลีละทรงโคหน่วยโคหนุ่มโคเล็กขันโมจักสถานทีีท่ข้าแม่นำงค่ากระถือแม่นำ คงคาดไหลเขียวพัดโจมตายเป็นตรงบางสถานที่ันขามเป็นตาขามจังขามบนขาเป็นตาขามก็บอกขามอันนี้หมายถึงว่าผู้นําทางศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีอุบาสกอุบาสิ ก, กาก็คือกันมันเรียกไดผู้นําของเขาทางศาสนาะ พ, พ, พูดที่พูดก้มจิงก็มีพูดทีพูดเพื่ออเมรสินจาาเพือ่ออติเลกะลากระหลายในห้าบางที่สถานญาณโยมห้ออาจจะไปติดหลวงพ่อที่ มีสื่อเสียงดังๆเป็นผู้ที่เ้าเป็นเช่นชาโลกเมื่อาจะระดับเขาระดับผู้บริหารก็ซือกานผู้ใดมียดทาบรรดาศักมีอติเลกกันลาป า, ากมาเป็นเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างเป็นอันนี้ก็เขาศรัทธา หลังไหลไปแต่บางทีอาธิบโบพูดธรรมะเบาธรรมะเจทุขขี่แน่แนวทางแห่งศาสานาคือยคอย่างุทธศาสนาคืออย่างเกลนแกล้งผูธศาสนาพ้นชรอนกันไดอาธิบบมีจังสันอาธิไปติดวัตถุต่าง ๆ, ๆนี่คือ อ่าบคุคคลผู้นำนางศาสนาในปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาก็คงจิมีคือกันแม้กระทั่งอินเดียสมัยกอนกับฮงเซมีคือกันเะนั้นให้เข้าเลือกให้เข้าคิดอันใดเป็นความจริงอันใดเป็นสัจจะอันใดเป็นของเทียมที่จริงกันเข้าประเด้มาปฏิบัติธรรม โมไดมาพินิพิโคก็โดยที่ว่าศรัทธาเฮาศรัธาญาติโ่งแม่กันทางพระเจ้าพระสงฆ์คือกันก็ะเฮานี่มันมันมันศรัทธาอธิโมกส่วนใหญ่คือได้ยินแล้วก็นนอนใจเสือ่อโบเป็นศรัทธาสัมปยุตโบใช้สติปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดว่า ต้องเป็นผู้ที่ปีศรัทธาสัมปยุตสิเหตุอันใดสิทำ อ, อันใดสิเชื่ออันใดก็ต้องประกอบไปด้วยให้คิดตะกอนใส่สติใส่ปัญญาอันใดเป็นของจริงอันใดเป็นของปลอมให้ใครควัชตะกอนนี่คือ ผูตรเรืองศาสนาบุคคลผู้นำพากระตมางผูตามก็ะตา ม, ตามที่นี่ศาสนาธรรมศาสนาของเข้าพุทธศาสนาของเข้าโดยจฉพอแต่กล่าวมาแล้วก็เป็นจริงที่ว่าวันนี้มีเป็นศาสนาพิธีก็ะตาม ศาสนาวัตวถุก็ต่างศาสนาบุคคลธรรม่มีนำมุนิกะคงสิอยู่ไปประเดีคล้ายๆกับต้นไม้ก็คงสิมีทั้งเปลือกมีทั้งเกล็มีทั้งกะพริบไอ้จังสิคงอยู่ได้แต่ให้เห่าเลือกศาสนาธรรมหลวงพ่อเทียนกาบบรมิมนว่ากะ อาจารย์แดงยองจะลงพอเทียนเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ลงพอเทียนเนาะลงพอเทียนเอาคำสอนของพระเดชธรรมพูดเผยแท้ความจริงมีลูกศิษย์ลูกหาศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญบ่หน่อยในพุทธศาสนาของเขาโดยเฉพาะในสังคมของมนุษย์ คันโบมีศาสนธรรมแล้วก็จังเพิ่งก้าวไปแหละมนุษย์เฮาคงสิบต่างจากสเดลฉานมีการกินการนอนการกลัวภัยอันตรายมาถึงตนแม่กระทั่งมีการสืบบรห้รสูญพันธ์อันนี้คือกัน นิฉานกับคนเท่าคือกันถ้าคนเท่าว่ามีธรรมะมีสาสนาที่แท้จริงไวใ้ในใจก็คงสิบต่างจากสาธิติฉานท่านรักปฏิบัติของเทาหลวงพอ่อเทียนเพลินเขาได้ยินแต่งเทปอยู่ผู้ที่เ่าเคยเห็นตัวจริงของเพลินเพลินได้ลวงไปแล้วได้ยินแต่เสียงก็ยังเป็นธรรมะอยู่เขาได้ยิน ถ้านั้นเข้ามางอมกันสร้างจังหวะทำความเพียรก็ถือว่าผู้บางคนอย่งทุกปีล่ะเคยประสบกันได้ไปทํผทาผลนผู้ที่เคยสำนักอื่นๆชิน ความเคยสิ้นสัปดาห์เพิ่งเดินมาเห็นอพิธีกับจิงรีเด็กรู้สึกว่าเกิลื่อนโบสวยโบงามยกไม่ยกมือจ ก, กว่าเป็นเหตุยังเหตุจิงรีสมาธิมีปัฒนากรรมฐ า, านตองมีความนั่งให้สงบนี่ขาข้อขับขาใส่มือข้อขับมือใาสา่ นั่งตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะนารับตามาดูลมหายใจอยู่ที่เขาติดในลักษณะอย่างัรแต่ว่ามา่เขาสูดสายตรงพอเทียนก็มีการยกมือมีการาสั่งังวะผู้บางคนก็คุยเคือนอันนี้เป็นวิธีกรรมวิธีกรรมปิดวิธี เพื่อที่ให้เขาไปสู่ธรรมะเห็นธรรมะยังพรได้ยินหลวงพ่อพูนลงยูทุมกมาผัวครูบาอาจารย์เปไดิดเปิดเทปมันเป็นซึ่งที่ว่าเพื่อไปกระตุ้นความรู้สึกอันนี้เป็นวิธีสื่ อ, อเป็นอุบาย กานท่าไปยึดติดว่าบ๊วยเชวยบังงามกระเบนฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าไปกระตุ้นความรู้สึกบวไหง่วงบว้เหงาเป็นสิ่งที่เหมาะเจ้จะลิดบางผู้บางคนฉะนั้นก็ถือว่าบอบว๊วยิตแบกแกกางอันนี้เป็นพิธี ทำไมถึงเราเฝ้าสังจังหวะโดยเฉพาะผู้บางคนเฝ้า น, า น, านั่งคันนังนล้มันหลับมันหลับกส็สะพงก์ลงพอเที่นมนป็นใ ห, ห้เหตุสัตว์ว่เกิดสติว่เกิดปัญญาคันเท้าดำนั่งเฝ้าสะพงกแล้วนี่เขาใจว่าเป็นผู้ที่ โดยสมาธิและเงินกันเมงโดยที่จริงสมาธิแตบบ่เเผนหมายถึงว่าให้มีสติให้มีข้อมืเมือการสั่ ง, ง, งจังหวะการแทงจมกงให้มีข้อมืเมือให้มหีข้อมือสึกบอให้เอาควอมลับหันข้อมลับเปนบอเป็นอียังมาเเผนประเฮ็ด มันอะไรทีนน่เกิดขึ้นเท่าก็บเราเห็นแม้แต่ทางมันฝันมันละเมอไปอันมันหลับแล้วโมมีความรู้สึกของเมืองโมมีอันนี้เป็นจังหอยอุบายสร้างจังหวะยกเมืองเพื่อที่จะมาหู่จากตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างเ้าพอกะเอาได้ฟังถี่ละเอียดไปแล้วที่จริงก็ได้ ก็หเฮ้าทุกๆคนไปเจาพระสง์กระจ่างไม่ออกพอออกเฮ้าทุกคนมีกายมีใจมันภาษาทำันกับว่ามีรูมีน้มนี่แหละเฮ้ายกมุ่งเฮ้าจิตใมโหูมาเห็นอันนี้มาเข้าใจอันนี้มหูจาักกายมาหูจักใจ อันไดเป็นรูปอันไดเป็นน้าอนมั่งหูจักอันนี้แต่ก่อนบาททานเบ่งน้นขันเทานั่งสมาธิไปเลยบางผู้บางคนก็นได้สมาธิติดสมาธิไปเลยโมเรยมาเข้าใจเนี่ยโมเรย์พื้นฐานฉะนั้นธรรมะของศาสนาอยู่กับเราทุกๆคน บอได้ว่าดังแก่ไปเจาะไปส่งศรทาญาติโยมนุ่มสุมกำลังทุกคนมุ่กายนุใจมาศึกษาบนนี้มาเฮียนหูบนนี่อันเท่ามอบให้ดังแก่หวแต่ว่าอย่างเดียวไปเจ้าะไปส่งอย่างเดียววันนั้นจะเป็นจริงที่ว่าเทาหวังแต่ภายนอกไม่ได้มาศึกษาภายใน แล้วก็ที่ที่นี้ก็ถือว่าเปลียนสภาวะคนบวมมาสู่ความหูดเปลียนจากสภาวะคมมืดมาสู่ความสว่างท้จริงอาจจะมาถือว่ า, ว า, า, วาหลับรองคําพูดของลวงพ่อเทียนที่สุด แม้กระทั่งความเกิดปัญญามาเจนใครปกปงตัวเขาได้ที่สุดเพราะนั้นจะตัว่าตินาของเขาจังมาไปแล้วมเตือ มีกะผิมีแกนหลักปฏิบัติของลวพอเทียนเท่าทนที่ให้เท่านี่มุ่งไปสู่แกนคือคนรถักถุกข่มโมีถุกก็โดยเฉพาะถุกถุกอาจารย์ทุกถุกถุกคนจะได้ก้าวไปคำว่าถุกถุกก็มีหลายระดับ ทุก์ทางจิตทางใจด้บางคนก็ทุกข์ทางเขาของเงินทองอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง เ, เง em, ง kommen, ข้าปฏิบัติเข้ามีสติหลายเข้าไปจะได้จับทุกข์ได้หลายถ้าเข้ามีสติหน่อยผังๆเผลอเผลองหลงลืมลืมมาขังมาขณะเข้าใจสิดับได้หน่อยมีือจะทำได้หน่อย ทันกะจ่างาว่าพอนใจสิดใจกัยังดีแต่บาี็รุดบอลลดบ็ดผยะผู้คนเนกจ่หในใจสิดใจว่าโอ้เสติมัมีสติมัมีสัมระสัญญอารมณ์มาขอบงำคว่ำโลภบกอดคว่ลงมาขอบงำ กับมาใหม่แ ม, จม้จะคนรู้จักมาพิจรนาตัวเองไหม่ความทุกข์นั้นจะจีจางจะทีะทเบาลงอันนี้ที่ปฏิบัติขอ ง, งหลวงพ่อเชนท่าเกือวาเป็นสาขลนทุกๆคนเหตุแต่โดยเฉพาะตังแก เอาหูเตาหูแจจะมาไปในเรื่งเกีกำเหตุไดเระฉะนั้นจะถือว่าอยากให้เอาสุกๆคนอยากโยมเอาได้มากวอพ่อปฏิบัติแล้วให้ได้แจนพุธทธศาสนาเนจะว่าเจนหลงพุทธาสพุธทธศาสนาคือทีหมด อันนี้จะบอกไปเลยดีหมดคือความทุดผลบ่มัน <nella> ว่าด <them are> <ate> of ูดผลห้องเหมือนเดินอากาศบ่มีนเงครับถึงในว่าเฮาที่ได้ดีหมดน่อยเฮากับคือสิที่ความเมใหญ่จะโดยเฉพาะทำแบบมีหมดดีหมดคือความดุดผล อันเราองพูดถึงถ้อยดีย่าเจ้าถ้อยละหันทั้งหลายทำไมจังว่าเจออ้าเข้ออกากับตามพ่อเข้ากับตามครูบาอาจารย์ในเมา่ศึกษาปฏิบัติแล้วลดจากทิ้งุดจิตวิปญญากระดีมากระดีขึ้เข้าใจในธรรมะบางสิ่งบางย่าง มันจะสมมุต<ม>ิเป็นภูที่ว่าเคยติดในบางสิ่งบางอย่างจนลังของขังคาถาอาคมเป็นภูอยู่แเฉงเห็นจริงเลิกละได้แม่กระทัง พรมโลพรมปวดพรมลงบางคณะเขาเอามันได้บ่เห้มันขบงำเขาได้เอาชนะมันได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถือว่าเป็นดีมุดคือการรุดทนจากยาก็เป็นดีมุดไปแล้วรุดทนจากมากเอาเคยเชี่ยมากเขาบ่เขี่ยมากก็ไม่ยถึงว่าเป็นดีมุดน้อยไปแล้ว แม่กะทาดุดคนจากเคยดาเคยป่อยเคยเคยดเคยลบเคยลงได้เป็นขังเป็นขณะก็คือว่านี้ดีหมดได้ดีหมดได้แจ้งของพู้จาดหน้าเป็นบางช่วงบางครั้งก็คือว่าเ่ง่เป็นบุญเป็นกุศลที่เขาได้มาปหนึ่ง ก็คือว่าเราที่ได้มาห่วมกันปฏิบัติธรรมวันนี้ก็คือว่าเป็นวันสุดท้ายในการกำหนดกจะว่าการปฏิบัติเป็นจิตวิตญของาเาแต่ละบุคคลอันนี้บ่มีเลยบ่มีลาอันชวนงานปฏิบัติ ำกำหนดเฉพาะสำนักนั้นสำนักนี้น7วัน5วันอันนั้นเป็นอาแจะสำนักพันธีสำหนดสื่อเลยกันไปเฮาฮูเลยมาปฏิบัติบัดเดียวได้วิธีทานแล้วร่โมเมนต์ว่าเลิกจากสารทานทีแล้วเลิกไปเลย พอลำนาเรื่องิตกงใจเรื่องควาทิ์าเมื่อพอิตใจใจตามพอไปตามอดฝันอนเว้นกะเคยเจียดเจ็ดเคยเก่าเคยกดเคยเก่าละลูกลาหลานอันนั้นมันกะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่มันเป็นได้กับตาให้เฮานี่ จีงว่าเราจะจะทานที่นี่แล้วก็ให้ใจเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เฉพาะพอออกก็ตามไม่ออกก็ตามไปถึงหลุกถึงนลานแล้วยวะเจบในจิว่าณพอใหญ่ในยาในยังไปปฏิบัติอาจเท่าที่บ่ได้เป็นก่อนถึง วัตถุปเป็นกิจกรรต้องได้พุทธิกรรมพุทธิกรรมไม่ทางที่เ้าได้มาประพฤติปฏิบัติในพุทธิกรรมไม่ทางที่ดีสิ่งใดทีบอดีสวยงามเราจะได้ได้เอาไปประ พ, พฤติปฏิบัติให้ลูกในั้นเห็นบ่เหม็ว่าได้ไปแล้วหายเลยอันนั้นบ่เม็น บด้ประโยชน์ทุกที่ควนเน็นก็คืว่าพฤติกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาแม้กระทั่งจิตใจจิตใจบางทีผูดด้ใดเห็นเป็นสิ่โกรธสิ่งเสียสิ่งเสียสิ่สุั่วนี่ผู้ใก็มีผูดด้ใดเห็นโดยเฉพาะคือทางกายทางวาจาแต่ถ้ากายลังนับวาจาลังนับจิตใจห้องก็คงจิต ไปนั่งเพื่อนิกล่อมในทางที่ดีไปสูรุกดูล้านสูเฮื่อนดูซ่านสร้างเอาให้เป็นพุทธบริษัทที่ดีให้น้อมนำธรรมะของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้รูดให้หลูดจากคา้อมัวที่พอดีกับ ง, งามให้ใจเจนบางทีบางยาม บ่ได้จเมอไปบ่ได้รายก็เหนได้หน่อยนั้นเป็นจะ่นว่าศาสนาของเราและของพุทิเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่สุดก็คือไปสูวิมุตแต่ปฏิวัตหลวงพ่อผูเพูดรุดพ้นแล้วบอกยังยังโทันรุษยงทมจึงว่าละมัดละวังคือกัน อันควนกิเลสนี่มันเป็นจริงที่ว่าสระมาทบ่อยบวชพาหนึ่งสองพรราสามพรรษาสิพรรษายี่สิบสามยี่พรรษาอันนี้พเป็นสิ่งที่สําคัญอยากน้งปฏิบัติไปหลายสํานักตำหนานักนก็ได้ไปงานนี้ก็ได้ไปน้ำพนแล้วอันนั้นบปสําคัญสําคัญอยู่ที่ควอมอบประมาณ มันทระมาแล้วจิเลสมันตกตาได้ทุกทุกขณะพระคู่เจ้าคุณธรรมบดีประงามทนเทไปมีสทิกิเลสมันตกตาเอามันทำลายเอาคือความประมาณดันนอองนั้นเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ อหัวเมื่อไอ้หัวเจ็บกายการเคลนไวที่เกิดในจิกังเกงบดได้ประมาทเปนประมาทห่วงชัวจิตเด็กที่มาทางหูทั้งตามันเอาเฮาเลยทุขันะบวได้เลียบเดินวนะ่าพยศพะสงบวโดนบวบโดน ม, มันทำลายเลยทั้งนั้นฉะนั้นความบุปมาเป็นธรรมที พระพุทธเจ้าสงสังสอนที่เราได้สวดและสาธยายกันเป็นประจำเชนนั้นกะมูลีที่จะพาผนในยัเดเยียดหอว่ายัดเยียดดนละในคืนมธรรมะจะพอจะเอว่างในใจนโนนนดนๆเนนนพราะว่าปกเป็นผู้ที่เทศ มันเป็นผู้ที่น่าป่อยผกเป็ น, นจจงเงินเกจจำเป็นที่สุดสเราสะเตหิละไปจำเรือนนีนันกับขออยาเียวมองทุกๆคนทุกใบาจา้องพอทุกถุกุกออให้เห้องวปอำนาจแห่ง การกพืชปฏิบัติที่ห้เราได้ธรรมาบำเพ็ญมาให้มาเป็นสบะเจชะทำจุนนุนทรงในห้องเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อขวมหลุดคมพ้นจะิจา จ, จากใจใไปสู่ความสะอาดสว่างสงบจงทุกๆคน